ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประทธิญาณในวันนี้จะตอบปัญหาซึ่งมีผู้ถามมาต่อไปท่านถามว่าคนที่อยากจะได้อะไรสักอย่างใช้การสวดคาถาชินบัญชรเวลาเก้าจบแล้วทิ่ฐานขอให้ได้อย่างที่ตนต้องการแต่เขาก็ทำในสิ่งนั้นๆไปด้วย วงเล็บไม่ใช่สวดอย่างเดียววงเล็บปิดจะทำให้ประสบกับสิ่งที่ต้องการได้มากน้อยเพียงไรเทียบกับไม่สวดคาถาเลยเลยที่จริงบางคนละเหตุละผลกันนะฮะผลเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากการทำงานการสวดนั้นก็ช่วยเกิดความสงบ เราเห็นว่าถ้าเราสวดเอาแล้วก็ได้อะไรตามความปรารถนานี่เราก็ไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามอะไรก็เอาบทสวดต่างๆมาสวดแล้วก็รวยกันไม่รู้เรื่องเลยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจก็นัดสวดกันทั้งประเทศแล้วก็รวยกันอื้อ za มันไม่มีเหตุผลแล้วคาถาจินะบัญชรที่จริงเป็นคาถาที่คนรุ่นหลังก็แต่งขึ้นไม่แน่ใจว่าแต่งที่ลังกาหรือแต่งที่มังไทยกันแน่นะเพราะว่า นานความเป็นมาก็พูดกันไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ข้อความจริงๆก็ไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าการสวรดเนี่ยเขาก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระหานทั้งหลายคุณของธรรมะมันก็เป็นความดีนั่นแหละกายเราก็สุดจริตวิจารก็มจีก็สุดจริตโนก็ได้สุดจริตแต่อย่าไปคิดว่าโดยการสวรดเนี่ยสามารถจะดนบันดาลในเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้น มันเป็นศาสนาแบบวงสวงอ่อนวอนไปเด็วก็สวดเพื่อเกิดเป็นอนุสติเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองของเขานะฮะส่วนผลต่างๆที่เขาได้นั้นก็จากความเพียรพยายามมันอยู่ที่ไปการไปผูกโยงกันไว้ว่าเพราะเราสวดอย่างนี้เราจึงได้สิ่งนี้ถ้าไม่สวดอย่างนี้เราจะไม่ได้สิ่งนี้แล้วในที่สุดเนี่ยก็สร้างอุปาทานเหล่านั้นให้ยึดมั่นต่อต่อกันไป คนอื่นก็ไปถือตามปฏิบัติตามก็เชื่อกันไปเป็นแถวโดยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องคนละเหตุคนละผลกันคือความศักดิ์สิทธิ์ในแนวต่างๆที่พูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานที่ถูกสร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จไปพบกพับพวกอาบน้ําในแม่น้ํำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำชื่อพาวกา รับสั่งถามว่าอาบ น, น้ําเนี่ยเพื่ออะไรเขาบอกว่าเพื่อชาระบาปให้หมดไปเมื่อหมดบาปแล้วจะเป็นยังไงก็บอกว่าตายแล้วจะไปเกิดในสวงสวรรค์มันก็ได้บทสรุปนะฮะว่าใครก็ตามที่อาบน้ําในแม่น้ำํำพะูกาแล้วก็จะบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ประเด็นที่ตามมาก็คือว่าและพวสัตว์น้ําหละ แเกิดเจริญเติบโตอยู่ในน้าําตายอยู่ในน้ําเนี่ยแกก็ต้องบริสุทธิ์กว่ามนุษย์เด็เมื่อบริสุทธิ์มีสิทธิ์ไปเกิดในสวรรค์ก็แสดงว่าพวกสัตว์น้าก็มีสิทธิ์ไปเกิดในสวรรค์มากกว่ามนุษย์มันไม่เหตุผลในตัวของมันการนับถือระศาสนานั้นจะต้องพัฒนาปัญญาหรือตัวการเนี่ยเราต้องการลดโลภะโทสะโมหะ แต่าการที่สวดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆก็มีโลภะแล้วก็มีโมหะโดยเข้าใจว่าการสวดเนี่ยสามารถประสิทธิ์ประสัดสิ่งที่ตนต้องการได้ถ้าพูดถึงน่าจะมีอนุภาพนะฮะเป็นปริตาอนุภาพเป็นพุทธานุภาพธ ร, รมานุภาพจักานุภาพนั้นน่าจะอิติ ว, โวิโสสวากาโตสุปฏิปโนเนี่มีมากกว่าเพราะว่าเป็นธรรมอาทิวิชาทรงสแสดงเอง เป็นบาลีต้นแบบมาเลยซึ่งมันผิดกับคาถาชินบัญชรซึ่งเรียบเรียงเขียนเขียนเขียนขึ้นมาทีหลังทางนี้ไม่ได้หมายความว่าชินบัญชรไม่ดีนะฮะแต่ถ้าอยากจะสวดเนี่ยมันน่าจะสวดอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนมากกว่าพระว่าของแท้นะฮะเนี่ยของแท้เลย ผู้ที่มีอาชีพบางอย่างเช่นผู้พิพากษาทหารตำรวจขณะทมหน้าที่ต้องตัดสินประหารชีวิตคนฆ่าคนออซึ่งทำโดยหน้าที่เป็นบาปเป็นกรรมทั้งๆ ท, ง ท, งที่ไม่ใช่ไม่ได้มีเจตนาใช่หรือไม่และถ้าเป็นบาปเป็นกรรมจะทำอย่างไรเพราะถึงอย่างไรก็ต้องมีคนที่มีอาชีพอย่างนี้ คือเป็นการทำงานตามหน้าที่แต่บาปก็คือบาปนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกบาปเพียงแต่ว่าบาปมากหรือบาปน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะเมื่อมาประกอบอาชีพอย่างนี้มันก็ต้องเสี่ยงต่อการกระทำบาปแล้วก็โลกเนี่ยมันจาเป็นจะต้องมีคนเสียสละยอมทำบาปเพื่อความอยู่ดีมีสุขของสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ แต่ว่าโลกไม่มีทหารไม่มีตำรวจไม่มีผู้ภาษาไม่มีอายการไม่มีศาลไม่มีอะไรโลกก็อยู่ไม่ได้โลกมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะแนวนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ทวนบ า, บาปหรือไม่บาปก็บาปเพียงแต่ว่าอย่าผนวกเจตนาเข้าไปอย่าไปคิด ว่าให้เขาตายจริงๆเขาฆ่าจริงๆเราก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยามาตรานั้นมาตรานั้นกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ใช่ศาลตัดสินเองนะฮะพิพากษาไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเราจะเห็นว่าเจตนาเราไม่ได้เจตนาจะฆ่าเขาแต่กฎหมายก็บอกว่าอย่างงั้นเน่ยเราเสร็จแล้วก็ดําเนินไปตามกระบวนการบอกให้ประหารชีวิตกฎหมายก็บอกว่าให้ประหารชีวิตนะไม่ใช่ศาลบอกว่าให้ประหารชีวิต ก็จิตเราไม่ไปเจือมากเกินไปแต่ว่าปฏิเสธบาปไม่ได้นะครับนั่นจะต้องมีบาปเพราะว่ายังไงเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันต้องมีนอกจากกว่าเราขาจัดความรู้สึกออกไปได้หมดเลยแล้วก็บริสุทธิ์หมดจดจริงๆเอาจริงๆก็ทำไม่ได้เหมือกันเพราะนั้นก็เกณฑ์กำหนดบาปในเรื่องเหล่านี้ท่านบอกว่าหนึ่งสัตว์นั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อย เราจะเห็นว่าศาลก็ตัดสินคนชั่วทหารก็ต่อสู้กับอดีตราชสตรูของแผ่นดินตำรวจก็ปราบพรชนพ่คุณก็ไม่มากทั้งนั้นเน่เจตนาไม่แรงนะเจตนาต้องการรักษาความถูกต้องความยุติธรรมทางด้านกฎหมายเจตนาต้องการรักษาเอกราชอธิปไตยของทหารเจตนาต้องการพิทักษ์ความสงบสุขให้แก่ประชาชน ของตำรวจเจตนาจึงเป็นเจตนาที่เป็นขุดสเจตนาไม่แรงความพยายามก็ไม่มากนะฮะความพยายามก็ไม่มากวนบาปก็ต้องมีแต่ว่าบาปไม่มากแล้วก็สังคมจำเป็นจะต้องมีคนเหล่านี้อยู่ในโลกไม่งั้นโลกก็อยู่ไม่ได้สังคมก็อยู่ไม่ได้ข้อต่อไปนี่ก็ถามว่า มีปัญหากับเพื่อนเพื่อนพาคนที่มีอิทธิพลมาคมคู่บิดามารดาด่าว่าให้ท่านต้องเจ็บใจหลายอย่างถามว่าใครบาปมากกว่ากันระหว่างลูกกับเพื่อนที่ทำกับบิดามารดาของลูกคือคนที่ทำมันนะกำไรมใครก่อคนนั้นก็รับกำไรลูกไม่ได้มีเจตนา ลูกไม่ได้มีเจตนาที่จะอกเพื่อนซึ่งมีอิทธิธพลเกะกะเกเรมาเนี่ยเพื่อมาเบียดเบียนพ่อแม่แต่ว่าเมื่อเป็นเพื่อนของเราเนี่ยคนจะพูดนะนะไปร่วงเกินบุปการีของเรามันก็ยังไงอยู่เหมือนกันเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าปล่อยให้บุปการีถูกกระทําย่ำยีถูกสบประมาถูกถูกลุมินโดยลําพังอย่างนี้มันก็หนักมือไปหน่อย แต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนานะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาคนมาให้เบียดเบียนบุปการีของเราเพราะงั้นเมื่อไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่พอถึงคราวที่จะต้องแก้ไขต้องป้องกันบุปการีไม่ให้ต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนที่เป็นอันตรพานองเรานั้นต้องพูดจาต้องใช้มาตรการต่างๆ น, นะฮะอาจจะถึง ยืมือกฎหมายเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็ได้แต่หากว่ามันรุนแรงเกินไปต่อไปถามว่าค่ามดคันไฟที่กระถางต้นไม้วงเล็บชายยาฉีดค่ามแมลงสาบหนูในบ้านวงเล็บชายยาฉีดกับอะไรนะการดักหรือกับดักแล้วก็นําไปปล่อยขออนุญาตถามจะบาปไหมบาปมากบาปน้อยควรหลีกเลี่ยงอย่างไร ค, ค, นนะคือบาปที่มันเป็นสากล น, นะเราไม่มีสิทธิ์ม้างอะไรหรอกคือบาปที่มันเป็นสากลเนี่ยที่จริงมีสิบเรื่องลองนึกมีสี่เรื่องนะฮะเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตก็ไม่เป็นการประทุษาา ร, ร้ษย า, ายต่อทรัพย์สินก็ไม่เป็นประทุษร้ายในทางเพศไม่เป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลอื่นไหมอันนี้คือบาปสากล เขาเรียกเป็นโลกวัชะคือเป็นโทษทั่วทั้งโลกหมายความว่าใครทําก็ผิดทั้งนั้นดังนั้นในกรณีนี้มันก็บาปแต่เนื่องจากสัตว์มีคุณน้อยเจตนาไม่แรงความพยายามไม่มากแต่ว่าบ า, บาปน้อยก็อย่าไปดูหมิน่นว่ามันมีน้อยมันมีทางออกนะครเวลานี้ที่จริงเนี่ยเขามียาที่กันป้องกันไว้ก่อนเช่นเราปลูกพืชเนี่ยเราปลูกพืช มือมัดกันไฟอยู่เราก็มียาที่ป้องกันไว้ก่อนเขาได้กลิ่นเขาก็ไม่เข้ามาหาก็จบกันพวกปลูกพว ก, พวกอะไรพวกปลวกพวกมอดทั้งหลายนี่แมงสาบอะไร่ะไรก็เหมือนกันไม่มียา ก, กันนะแล้วก็ที่น่าทําอย่างยิ่งอย่างหนึ่งก็คือตั้งจิตแผ่เมตตาหรือบางทีก็อลองคุยกัาดูนะคุยภาษาไทยธรรมดาเนี่นะคุยคุยกับดู นั่งสัมรวมจิตให้มีพลังมีเมตตาจิตแล้วก็พูดกับเขาขอร้องเขาอย่าได้เบียดเบียนกันให้ไปอยู่ทำฐานะของเขาอย่ามาเบียดเบียนล่างฐานทัพย์สินย้ายเกิดเวร เ, เ, เกิดกรรมและกันะอะไแต่ไหเขาก็พูดไปถ้าพลังจิตเราดีพอเนี่ยประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่จะทําครั้งเดียวสําเร็จเราต้องฝึกจิตให้มันมีกําลังมากพอสงควรจะก่อน เอาหน้าไม่ทุนหน้าขาเห็บและหมัดแล้วก็ทําให้เห็บและหมัดตายนี่ก็บาปเหมือนกันนะเนี่ยคือมันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับงูมันกินเขียดเนี่ยคือเราไปตีงูเราก็บาปนะฮะต้องการจะช่วยเขียดแต่ไปตีงูก็บาปเรือจับเขียดโยนให้งูกินก็บาปในกรณีเหล่านี้เราต้องทํา อุเบขาคือวังเฉยที่ประกาศในหนังสือพิมพ์ว่าจะศึกและบวดใหม่ในวันเดียวกันหมายความว่าอย่างไรต้องการอะไรก็ไม่ทราบนะฮะไม่รู้จักไม่รู้เรื่องก็ได้ข่าวหนังสือพิมพ์ก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าฟังแล้วในความสม บ, บัิสำนวนเนี่ยมีลักษณะของการประชดประชัน คือคล้ายๆกับว่าไม่ได้ก็อย่าได้ไม่เอาก็อย่าเอาไม่เป็นก็อย่าเป็นมาเลยแล้วก็ประโชยกรรมตัวเองให้ตกต่ำลงไปเพราะว่าการที่บวชมาทั้ง 10, 18, สิบสิบแปดพรรษาแล้วสึกใหม่เนี่ยกลายเป็นพระบวชวันแรกเลยนะเพราะในกิจการงานต่างๆที่ตัวเองจะทําแก่าศาสนาแก่สังคมแกหมกะนะู่คณะมันก็ทําไม่ได้ในฐานะบางฐานะในตําแหน่งบางตําแหน่ง ว่าเป็นงานของพระเทระก็ก็ทำในแวดวงของลูกศิษย์แต่ว่ามันไม่ใช่แส ด, แดงถึงความเคร่งครัดในประธรรมวินัยอะไรหรอกลักษณะอย่างนี้ที่จริงแล้วมันเป็นวิปวัตตัญหานะฮะคือเป็นอาการของโทสะเป็นอาการของโทสะ ไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นแต่ทำด้วยความโท ม, มนัตคือน้อยใจเสียใจที่ถูกบีบคั้นในด้านต่างๆนะครจากข่าวคราวจากเรื่องราวต่างๆแต่ความคิดจริงๆเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้ามองผลแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรทั้งแก่ตัวเขาเองแต่แก่หมู่คณะแก่ระศ า, าสนาเพราะว่าการบวชเนี่ยเรารับผิดชอบในตัวเรา คนอื่นก็ต่างคนก็รับผิดชอบในตัวเขาใครว่าอะไรก็ว่าไปอ่ะปัญหาว่าเรื่องมาเป็นยังไงอเรื่องเล็กๆน้อยๆี่บอกว่านับพรรษาผิดเนี่ยมันก็ผิดก็ผิดแต่ก็ทราบว่าเจ้าคณะจังหวัดท่านเข้าใจผิดเฉยๆมันก็ไม่เราไม่ได้เจตนาทําผิดเนี่ใครจะว่าก็ว่าไปคือกรรมที่เราต้องรับเนี่ยกรรมที่เราทําเองมันไม่ใช่กรรมที่คนอื่นทําก็เป็นเรื่องแปลกกันนะฮะ เอ่อทำไมทำไมยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งมีความยากมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นปัญหาแล้วคือการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนการรักษาโรคกนันนะถ้ารักษาแล้วก็ยิ่งสุดเนี่ยมันมันต้องเลิกรักษาแล้วนะคือการปฏิบัติในที่จริงที่จริงต้องการจะล ด, ดละ ก, กิเลสอาจางไปคลายไปบันเทาไปจากจิตใจมันโดยหลัก ของการปฏิบัติแล้วจะต้องออกมาในทางที่ธรรมะเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์ลดลงนั่นคือสูตรของการทำธรรมะปฏิบัติมันเหมือนกับเรากินอาหารเนี่ยธรรมะปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกินอาหารเนี่ย ความหิวต้องลดลงเหตุแห่งต้องลดลงความอิ่มต้องเพิ่มขึ้นเดี่ยวแรงต้องเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้คล่องแคล่วชำนิชานาญมากยิ่งขึ้นมันต้องเห็นเป็นกระบวนการอย่างนั้นนะ่ยถ้าไม่เกิดมาเป็นกระบวนการก็แสดงว่าผิดหลักแล้วข้อต่อไปถามว่านามาจการค่ะการสั่งอาหารเจนปูปลาที่เราไม่ทราบว่าก็อเอาของเป็นๆมาให้หรือเปล่า หรือทราบก็ตามบาปไม่ค้ามากน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารให้มนุษย์คือการสั่งอาหารเนี่ยเราก็มีหน้าที่ตัดตอนมาจากตรง น, นั้นคืออย่าไปคิดบวกขนาดไปไกลขนาดนั้นนะ น, นะะเราเราก็เมนูตันเดงเมนูอะไรเราก็บอกมาส่วนเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาคือยาวใจเข้าไปบวก มันก็ลดนะฮะมันก็ลดความรู้สึกที่ไม่ดีลงไปแต่ถ้าเรารู้เนี่ยมันก็แน่นอนแหละถ้าเราร่วกันแน่นอนก็มีส่วนบาปก็มีส่วนเป็นเหตุให้สัตว์ตายแต่ว่าชีวิตของเรานั้นเรามีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้นะหลีกเลี่ยงได้แต่การได้ไปกล่าวอ้างว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารมนุษย์เราบ้าเองสัตว์มันไม่รับรู้ด้วยหรอก สัตว์ก็อาจจะไปคิดว่าเราก็เกิดเป็นอาหารของมันในทำไงทีนี้ก็ยุ่งกัน น, ะนั่นเองเวลาที่บ้านเรามีปลวกแล้วเราจําเป็นจะต้องกำจัดมันเพราะมันกินไม้ในบ้านดีกว่าถือว่าทําบาปด้วยหรือไม่ก็เป็นบาปนะเป็นบาปหาวิธีอื่นดีกว่านะก็หาวิธีที่ตัวเองไม่ต้องทําบาปเนี่ยเป็นดีที่สุดคือปลอดภัยที่สุดก็ต่อไปถามว่าสีเรนะสุกติงยันติ สีเลนโพกัสัมปทาสีเลนะนี่ปุตติยันติหมายความว่าอย่างไงศีเลในสุกติยันติแปลว่าบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะศีลเช่นบุคคลสมาทานศีลมีศีลห้าเป็นต้นเนี่ยตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุกติด้วยผลของการนักษาศีลห้าสีเลนโภกัสัมปทาบุคคลจะได้สมบูรณ์ด้วยโภกกสสมบัติก็เพราะศีล คือคนที่ทรามหากินมาในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตแม้จะไม่รวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็ตามนะฮะแต่ว่ามีความสุขใจมีความปลื้มใจมีความสบายใจที่ที่ที่ที่เราอยู่อย่างนั้นแล้ศีลเลยนะนี้ปุตีนยันติบุคคลจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็พระศีลเอ่อข้อต่อไปท่านถามว่า พราหมินดูหันมานับถือพุทธเป็นจมื่นมากเพราะเหตุไรแล้วชาวพุทธมีอะไรส่งเสริมให้เขาเห็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธบ้างนะศาสนาพุทธเราบ้างศาสนาพุทธเราบ้างคือที่จริงพรามินดูเนี่ยเขานับถือพระพุทธเจ้ามานานแล้วนะฮะแต่นับถือในฐานะพุทธาวตารตั้งแต่พศ ประมาณพันสี่ร้อยนะฮะตอนพนะันสี่ร้อยเนี่ยเราก็พ่ายแพ้ต่อพวกศาสนาพราหมณ์ที่เขาพยายามกลืนศาสนาพุทธแล้วพระพุทธเจ้ามาเป็นอวตารปางที่เก้าของพระนารายณ์เนะช่นเดียวกับพระรามเช่นเดียวกับพระกฤษณะเช่นเดียวกับอวตารทั้งเก้าปางทั้งแปดปางอีกแปดปางนะฮะเป็นอะไรต่อเ น, นี้อะไรต่างๆแต่ที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือพระกฤษณะกับพระราม แต่พระรามในคนจะนับถือมากกว่าเพื่อนอส่วนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาก็นับถือในฐานะเป็นอาวตารปางหนึ่งของพรนารายแล้วก็ความเชื่อที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับสังสารวัฏนะฮะตลอดถึงสมาธิจนถึงฌานไปรูปฌานไปรูปฌานไปเนี่ยมันอยู่ในคันลองเดียวกันจะต่างกันก็ที่นิพพานนั่นเองเพตอนเขาก็ศึกษาเรียนรู้ คนที่หันมานับถือเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคนนี่วรนณะต่ำไม่ต้องการยอมรับสถานะเช่นนั้นในสังคมของพราหมณ์เช่นพวกคาริจันพวกสูตรเนี่ยก็เปลี่ยนมานับถือพูดตามดรอัมเบก้าเนี่ยเยอะมากนะเวลานี้ในอินเดียก็มีหลายล้านแล้วก็ก็เรียกออกสิบกว่าล้านแหละเพียงแต่ว่า มันไม่มีศักยภาพในสังคมคนในกลุ่มหนึ่งอยาเป็นนักวิชาการอยาเป็นคนร่ำรวยเป็นนักวิชาการแต่พวกนี้ต้องการสถานะจากสังคมจึงไม่เยกล้าแสดงตัวถามว่าเราจะให้อะไรแกเขาไหมที่จริงเนี่ยเขาหันมากลับมานับถือรู้ธศาสนาเนี่ยก็ศึกษาลึกซึ้งแล้วนะฮะก็ศึกษาลึกซึง้งก็เข้าใจอะไรแต่ลึกซึ้งแล้ว แล้วก็ปฏิบัติระดับกรรมฐานเป็นกระบวนการนะมาเผยแพร่ถึงโคโอเอนกาอะไรต่อไะไรถึ่มาเผยแพร่อยู่ในเมืองไทยนะก็เป็นชาวอินเดียเหมือนกันก็เป็นเรื่องสมบัติของของโลกพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของมนุษยชาติใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติเขาก็ได้รับผลเขาดึงก็โดยตัว ง, งเขาเอง การเผยแผ่ศาสนาพูดก็เหมือนฝนตกลงมาจากฟ้าฟ้านะฮะใครมีความประสงค์จะรับน้าฝนเอาไว้ก็รับเอาอไปถ้าไม่มีความประสงค์จะรับก็ไม่รับก็เป็นไปตามอัธยาศัยของบุคคลเหตนั้น mm hmm. การที่เจาะจงนิมนต์พระองค์โ น, โ น, โ น, โ น, โ น, น้นองค์นี้หรือเจาะจงไม่นิมนต์องค์โน้ น, น, น, นองค์นี้นั้นบาปหรือไม่มันใจไม่ดีหรอให้รองสังเกตถึงยินดียินร้ายมันเกิด เกิดโลภะเกิดโทสะนะฮะเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาจะแสดงว่าเราเจาะจงไม่นิมนเนี่ยไม่ยอมนิมนเนี่ยแสดงเรามีโทสะในพระรูปนั้นและเจาะจงนิมนเนี่ยเราก็มีโลภะหรือมีราคะหรือมีความรักในพระรูปนั้นแต่ความรู้สึกมันจะลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามแหละแต่ว่าเป็นปาติปุกกลิก ค, คือมีการเจาะจง คือทำยังไงว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยมองพระเป็นแค่พระแต่นั้นเองแล้วไม่ต้องเป็นพระเราพระเขาคือพระในพุทธศาสนาทุกคนทุกรูปก็คือพระในโลกพุทธศาสนาไม่ว่าพระหนุ่มเนรน้อยก็ตามพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามก็คือกันก็คือพระภิกษุในพุทธศาสนาเท่านั้นแล้วเราก็ให้การยอมรับนับถือเวลานิมนต์อะไรพระเนี่ย ก็าเนี่ยบ่ไปที่วัดเช่นสมมติว่านี่ยบ่นพระเก้ารูปเราก็นี่ยบ่นองค์เดียวนะฮะนี่ยบ่นองค์ที่มีหน้าที่ในการนี่ยบ่นพระในานามของวัดเนี่ยจะบอกท่านแล้วท่านก็จัด ก, การให้เอ ง, เ ร, องากการเราไม่ต้องไปเจ้าขี้เจ้ากาหรือไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรจะต้องได้องค์นั้นองค์นี้องค์น้นมันเป็นอาการของความยินดียินร้ายซึ่ง ไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแม้จะนิมนต์พระจํานวนมากแต่ถ้าใจเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะใจยังชอบองค์นั้นไม่ชอบองค์นั้นต้องการองนั้นไม่ต้องการองนั้นพระองค์นั้นมาเนี่ยพระองค์ที่เราไม่ต้องการมาเนี่ยเราก็เกิดโทสะองค์ที่เราไม่ต้องการไม่ใช่องค์ที่เราต้องการมาเนี่ยไม่มานะฮะไม่มาเราก็เกิดโทสะเห็นไหมมันก็หาเรื่องให้เกิดโทสะด้วยกัน แล้วพอมาก็เกิดยินดียินดีก็อาจจะออกไปในรูปอื่นก็ได้เพราะมันจิตใจนั้นมันแปรผันไปได้ง่ายๆเพราะวิธีดีที่สุดก็คือนิ ม, มนต์เป็นการสง่งใครส่งใครมาทำใจให้สบายมีหน้าที่เราเป็นเจ้าของบ้านนะฮะท่านเป็นแขกก็ปาหุนโยด้วยกันก็ ค, ควรแก่การต้อนรับด้วยกันทั้งฝั่งทั้งไหล การอบรมพทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงออ ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี